จุดข่าวเพื่อนหมดเลยวันนี้อ่ะกี่พีถามก่อนคนแรกเลยเอ้ามีอะไรถามก็คือว่าตอนนี้ผมก็เริ่มมีสติมากขึ้นแล้วแตุ่แต่ว่าผมจะกลับวันนี้แล้วว่ะ<อ>เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมคลิปคําถามก่อนนะพอดีผมจะกลับวันนี้ครับก็คือว่าอว่าทํา ทำน่าก็คือว่าก็คิดทำยังไงผมผมเออเดี๋ยวคิดเออเด็กก็คือว่าตอนนี้ผมพอมันมีอะไรมากระทบนานตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เลยมีสติแล้วครับ เราเมื่อกี้ได้ยินเสียงอันนั้นน่ะเดี๋ยวพอเห็นพอก็เห็นเสียงได้ยินเสียงอะไรดังๆก็เขาผมก็เริ่มมีสติแล้วผมก็ไม่เข้าไปแทะแต่งมันแล้วสาธุสาธุเพราะว่าตอนนี้มีสติมากขึ้น กีวีต้องพี่นายให้ดีนะลูกกีวี่แปดขวบเนาะอืกีวีต้องพี่นายให้ดีลูกว่าเสียงเนี่ยมันมันมีปัญหากับใจเราหรือว่าใจเราเนี่ยไปมีปัญหากับเสียงเสียงเขาเขารู้เรื่องไหมลูกว่าเขาเนี่ยไปมีปัญหากับใครเสียงเขารู้ไหมลูกไม่รู้เรื่องใครเป็นคนรู้เรื่องลูกตัวเองเออตัวเองเป็นคนรู้เรื่องตัวเองก็เลยมีปัญหาเห็นไหมแั้นเสียงก็ไม่มีปัญหาลูก งีนกีบ<ช>ีต้องดูให้ดีแล้วว่าเสียงเขาไม่มีปัญหาแต่ใครเราเป็นคนมีปัญหาตัวเราจะมีปัญหาต้องมีสตินะลูกนะก็คือเสียงมันไม่มารบ ก, กวนเราแต่เราไปจะมันเราไปรบ ก, กวนเสียงเออสาธุหลวงตาครับเราได้เห็นแล้วถ้าเกิดผมเห็นต้นไม้ลมขึ้นมานี่นี่ แล้วมันมาทับหัวผมผมจะทํำยังไงดีอ่ะมาทับอะไรนะลูกมันมาทับผมมาเห็นต้นไม้ลม้มลงมาอ๋อมันก็ไม่ได้ทับอะไร เ, เราได้คิดเอาเฉยๆมันก็เป็นเพียงแค่ความคิดเราจะหลงไปตามความคิดปรุงแตง่งอันนั้นคือต้นไม้เสียใจมันก็เลยลม้มลงมาใช่มนี่ใช่มันก็เป็นตามเหตุปจัจจัยมีลมพายุพัดมาแต่เราไปคิดเอาว่าต้นไม้ถ้าต้นไม้มาทับเราเราจะทําอย่างไรอันนี้เป็นความคิดปรุงแตง่แตงเราหลงไปถ้า ผู้รู้ไม่คิดใช่ไหมใช่ผู้รู้ต้องอยู่กับผู้รู้ที่ไม่คิดรู้แต่บันคิดอะไรก็ได้แต่ก็ไม่เคลื่อนที่ด้วยใช่ไหมถูกต้องแล้วมันก็เป็นอากาศที่ที่มันไม่เคลื่อนที่ใช่ไหมถูกต้องแล้วอยู่กับผู้รู้ที่สงบและว่างเปล่าโอเคครับใช่พูดอย่างนี้ต้องคุยกับ อะไรนะป้าจ๋าหรือน้าจ๋าเนี่ยออ <ừ> ผู้รู้ไม่เคลื่อนที่ผู้รู้คิดไม่ได้เนี่ยผู้รู้สงบเพราะผู้รู้มันมันพูดไม่ได้ใช่ไหมเพราผู้รู้พูดไม่ได้ผู้รู้คิดไม่ได้ผู้รู้เคลื่อนไหวไม่ได้วิแต่ความสงบและความว่างเปล่าก็คือมันไม่มีเคลื่อนคือมันไม่มีเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปใช่ไหมถูกแล้วนี่ไม่รู้ป้าจ๋าป้าใช่ไหม ประจ่าบอกว่าสาทุเลนไหมหลงเนี่ยเห็นไหมพูดต่อพูดต่อเดี๋ยวถ้าถ้าผมเ จ, เจอชถ้าผมเจอเสียงอะไรดังๆผมจะมีสติครับ<า> ถ, ถ้าเพื่อนไม่มีสติผมก็ต้องมีสติครับครับถูกต้องเลย คนอื่นไม่มีสติแต่เราต้องมีสติใช่ใช่แต่ถ้าเราถ้าคนอื่นไม่มีสติแต่แต่เราแล้วเราก็ไม่มีสติเป็นเขาเรียกว่าการเรียนแบบใช่ไมใช่ใช่แเราก็จะไม่ไปล้อเรียนเพื่อนใช่ไหมผมจะมีสติยก สาธุอ่าสัญญาแล้วแปะโป้สัญญาแล้วแปะโป้สัญญาแล้วเออออหลุมไม่มีไม่มีอะไรถามหลงตาค่ะเพราะว่าปล่อยวางหมดเลยค่ะหลวตาฟังฟังเนนกีพี่พูดแล้วฟังทิ อันนี้เสียงเสียงกีวีพูดอะไเป็นไงบ้างโอ้เสียเอออะเสียงกเนี่ยมันเป็นพระศึกแล้วก็เป็นทิศเนนก็เป็นเสียงอ่าเสียงก็ช่วงที่หลวงตาส่งบาเนี่ยค่ะช่วงต้นเดือนตั้งแต่ปลายเดือนน่ค่ะก็มีเยอะเลยอะค่ะที่ ที่แบบว่ามันโดนใจนะแล้วก็ก็คิดแล้วก็ปล่อยวางก็คือทุกอย่างมันก็สังขารทั้งนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ค่อยไม่ค่อยเอามา น, นั่นกับตัวเองเพราะว่าคิดว่ามันเป็นแค่อาการของขันห้าซึ่งเราเป็นอย่างนี้เพราะว่าเราสั่งสมของเรามานานแล้วเราถึงต้องเป็นอย่างนี้ก็แค่ดูไปแล้วก็ไม่ปรุงแต่งแล้วก็ปล่อยวางไปเลยะต่างตา เอ้ของจ๋าก็มาได้ได้เรียกว่าพัฒนามาได้มากแล้วแหละพัฒนามาได้ใกล้เคียงแล้วใกล้เคียงความเป็นจริงก็เหลือเี่งนี้ที่จะมองไม่เห็นที่ที่ที่หลงไปเป็นคนเป็นคือไปเป็นคนที่ ดิ้นลนพยายามที่จะออกจากอะไรตรงนี้เราไม่เห็นหลงไปเป็นคนที่พยายามคิดดิ้นลนหาหนทางแล้วก็เป็นจิตที่ดิ้นลนจริงๆไปเป็นจิตที่คิดได้ที่ตึกตองได้ที่ปรุงแต่งได้ที่กระเพื่อมได้ไหวตัวได้ดิ้นลนที่จะออกจากอะไรคือดิ้นลนที่จะออกจากทุกข์ดิ้นลนที่จะออกจากกิเลสดิ้นลนที่จะออกจาก ความไม่สบายความไม่สบายใจหรือปัญหาที่จะเกิดขึ้นในใจคือสรุปแล้วก็คือดิ้นรนที่จะออกจากทุกข์นี่แน่แล้วเราก็ไปกลายเป็นคนดิ้นรนกลายเป็นคนหลงไปเป็นคนดิ้นรนไม่ไม่ใช่เป็นรู้ที่ไม่อาจดิ้นรนได้ไม่อาจคิดไม่อาจปรุงแต่งได้เหมือนอย่างที่กีวีพูดว่าผู้รู้คิดไม่ได้ผู้รู้นึกไม่ได้ผู้รู้ปรุงแต่งไม่ได้ผู้รู้เป็นเพียงความว่างเปล่าเหมือนกับเป็นความว่างเปล่าของธรรมชาติมีแต่ความสงบจากความปรุงแต่ง มีแต่ความว่างปัสะจากความเคลื่อนไหวใดๆในนั้นไม่มีสิ่งใดอยู่ในนั้นได้แต่กลายเป็นว่าเราหลงเอาตัวเราเนี่ยไปดิ้นรนเพื่อจะเอาตัวเราเนี่ยออกจากทุกข์ออกจากกิเลสแล้วเวลาบางทีมันไม่ได้อย่างใจเราก็รับแค้นอยู่ในนั้นผสมตรงเนี้ยเราเราไม่เห็นเรายังไม่เห็นมันเราเราหลงไปเป็นคนเป็นเป็นคนปรุงแต่งได้เป็นคนดิ้นรนได้ถ้าเราเห็นปุ๊บ แค่เห็นว่ามันเป็นติ่งปรุงแต่งเห็นมันเป็นสังขารปรุงแต่งมันก็จะเข้าไปถึงใจที่ไม่ปรุงแต่งไม่อาจปรุงแต่งได้ใจหรือผู้รู้นั่นแหละที่ไม่อาจปรุงแต่งได้นั่นะคือเป็นอันเดียวกันคือเป็นแต่ความสวะสงบจากความปรุงแต่งว่างเปล่าจากความปรุงแต่งใดๆว่างเปล่าจากตัวตนเป็นความว่างเปล่าเช่นเดียวกับความว่างเปล่าของธรรมชาติจักรวาลเป็นเนื้อเดียวกันเป็นหนึ่งเดียวกัน ที่ท่านบอกว่าเวลาใจไปไปถึงใจที่ใจหรือผู้รู้ที่เป็นความสงบจากความปุงแต่งปัสจากความปรุงแต่งปัสจากตัวตนโดยสิ้นเชิงเข้าไปถึงผู้รู้อันนั้นน่ยโดยทาวอนขณะจิตที่เข้าไปถึงมันจริงๆอที่สงบจากความปุงแต่งจริงๆอะที่ท่านว่ามันระเบิดโลกกระแทกก็ระเบิดอะไรก็เปรียบมันอย่างเงี้ยความว่างในห้องเนี้ย ผู้รู้รู้เป็นเปรียบเหมือนความว่างในห้องนี้กับความว่างของข้างนอกห้องเนี้ยมันเหมือนกันไหมความว่างภายในศาลานี่กับความว่างนอกศาลานี้เหมือนกันไหมเหมือนกันแต่มันถูกกั้นไว้ด้วยแหละถูกกั้นไว้ข้างฝาใช่ไหมเวลาเวลาพอมันเข้าไปถึงผู้รู้ที่เป็นความว่างอันเดียวกับความว่างของธรรมชาติเข้าไปถึงความว่างที่สงบจากความปรุงแต่ง มีแต่ความนิ่งไม่ใช่ว่านิ่งเพราะไปสะกดให้นิ่งแต่เป็นความนิ like ่งจากความปรุงแต่งปัศจากความปรุงแต่งโดยสิ้นเชิงไม่มีการพยายามไปทําให้ไม่ปรุงแต่งไม่มีการพยายามไปทําให้น huh. ิ่งหรือทําให้ว่างแต่เป็นความว่างจากความปรุงแต่งเป็นความสงบจากความปรุงแต่งโดยสิ้นเชิงที่เข้าไปถึงมันโดยสมบูรณ์บริบูรณ์คือเข้าไปเป็นมันโดยปัศจาการปรุงแต่ง เราจะเข้าไปถึงมันเนี่ยไปถึงความไม่ปรุงแต่งได้ไปถึงใจหรือจิตเดิมแท้หรือวิญญาณแท้แท้เนี่ยที่ปราศจากความปรุงแต่งได้คือมันปล่อยวางความปรุงแต่งไปเรื่อยๆทุกทุกกิริยาการเห็นทั้งรู้ทั้งเห็นว่าสังขารทุกขณะจิตปัจจุบันเนี่ยมีกิริยากระเพื่อมไหวตัวมีความคิดความนึกความตึกความตองความปรุงแต่งดิน้นรน่นดิน้นรนพยายามที่จะออกทุกดิน้นรนพยายามจะออกจากกิเลสตัณหาต่างๆ แล้วก็ไมดิ้นรนไม่ได้ก็มีความคับแคลนอยู่ในนั้นล้แต่เป็นความปรุงแต่งหมดเมื่อเราเห็นว่าทั้งความดิ้นรนทั้งความคับแคลนทั้งความพยายามเป็นความปรุงแต่งรวมทั้งความรู้สึกว่าเป็นตัวเราที่จะเอาตัวเราออกจากอะไรก็เป็นความปรุงแต่งเมื่อเห็นสิ่งนั้นเป็นความปรุงแต่งใจมันก็จะหลุดพ้นจากความปรุงแต่งไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเข้าไปสู่ความพ้นหลุดพ้นจากความปรุงแต่งโดยสิ้นเชิงเพราะมันเห็นความปรุงแต่งที่สุหมดแล้วมาเลยกกลายไปเป็นใจที่ หลุดพ้นจากความปรุงแต่งเข้าไปถึงตัวมันที่ไม่ปรุงแต่งขนาดที่ที่เข้าไปถึงตัวมันที่ไม่ปรุงแต่งที่มีแต่ความสงบไปทั้งโลกธกาตุสังัดไปทั้งโลกธาตุเนี่ยมันก็ระเบิดเหมือนกับระเบิดฝาทุกด้านของศาลาเนี่ยตูมออกไปเนี่ยความว่างในที่เป็นความรู้ที่เป็นความว่างในนี้กับความว่างในธรรมชาติจกักรวาลกลายเป็นความว่างสิ่งเดียวกันเพราะมันระเบิดสิ่งที่ปิดกัน้นคืออวิชชาฝาข้างฝานี้ทั้งหมดก็คือ วิชาที่ล้อมรอบปิดเป็นไว้ด้วยความเข้าใจผิดความหลงยึดมั่นถือมั่นในสังขารทั้งมวลพอหลุดพ้นจากสังขารที่ท่นานกล่าวว่าสิ้นสังขารก็มีธรรมที่มั่นคงนี่แหละคือองค์ธรรมเอกวิเวกจริงขณะจิตที่มันเข้าไปเป็นใจที่ปัศจากสังขารปัศจากตัวตนปัจจาจ ก, การเคลื่อน ไ, ว ไ, ไ, ไหวใดๆแม้แต่เพียงนิดหนึ่งน้อยหนึ่งก็ไม่มีที่เข้าไปเป็นมันโดยสมบูรณ์ ด้วยตัวมันเองปัสจากการปรุงแต่งเข้าไปให้นิ่งให้ว่างให้เฉยขนาดจิตนั้นเนี่ยแม้แต่จะจะเตรียมตัวจะพยายามทําอะไรก็ยังทําไม่ทันเลยอย่างเช่นตัวอย่างอย่า ง, างเช่นว่าอย่างเช่นหลวงพ่ชาสุภโตหรือว่าแม่จันดีที่ว่าไม่ทํำไมวันนี้มันมันสงัดธรรมชาติมันสงัดทั้งโลกธาตุาแปล ก, กแปกมันสงัดแบบแปลกแปกตั้งแต่เช้า สองท่านเนี่ยพูดคล้ายๆกันว่ามันสั่งัดแปลกๆตั้งแต่เช้ามันเหมือนกับโลกธาตุมันสังัดทั้งโลกธาตุเนี่ยแท้จริงใจมันสั่งัดเพราะอะไรทำไมจึงเรียกว่าใจสังัดก็คนอื่นไม่รู้สึกสังัดไปถามคนในโลกไม่เห็จะสั่งัดตัแต่เกิดอะไรเลยแต่พอใจเราสังัดแล้วแล้วพอดีคนในที่นี้หลายๆคนก็บางคนก็ใจสังัดใจสั่งัดใจสงบจากความปรุงแต่งเขาเลยรู้สึกว่า มันเลยสัมผัสเด็กเหมือนกันหมดเลยว่าเอ๊ะทำไมโลกกาตามันสังกัดอย่างนี้มันมันสังกัดไปหมดเลยทั้งโลกธาตุมันทําไมอย่างนี้่แท้จริงอ่ะคนนั้นน่ะคือใจเขาสงบสังัดจากความปรุงแต่งแล้วเขาจึงสัมผัสถึงความสงบสังัดนั้นได้ที่ท่านกล่าวว่าเอ๊ะวันนี้มันทําไมมีลักษณะแปลกแปกมันสงบสังกัดแปลกแปลกตั้งแต่เช้า พอถึงตอนเย็นเนี่ยท่านว่านั่งจะดูจิตกินดูไม่ทันจะดูจิตก็ดูไม่ทันจะชักขาเข้ายังชักไม่ทันเลยมิระษะคล้ายๆกันคืออยู่ๆมันจิตมันสงัดไปเลยสงัดลึกไปเลยอ่ะแล้วก็โลกกระทำกระเบิดระเบิดโ ล, ดลดกกระถาบอกว่าไอ้ต้นไม้นี่เหมือนขาดกระจุยเหมือน มอนได้หมดเลยระเบิดไปหมดเลยะที่แม่ชีแก้วก็บอกว่าเหมือนกับอแค่ต์ตายจนม่วงจะไม่นั่งเหมือนกับฟ้าผ่าเปรี้ยงลงมาแค่หักกระเด็นหมดพบชาติเจ้าจบสิ้นแล้วพบชาติเจ้าจบสิ้นแล้วชาตินี้เป็นชาติสุดท้าย <c oughs> เหมือนกับแผ่นฟ้ากับแผ่นดินที่น้องปูจเจียท่านว่าแผ่นฟ้ากับแผ่นดินม้วนตลบแล้วก็ระเบิดม้วนตลบแผ่นฟ้าม้วนตลบกับแผ่นดินหมุนไปแล้วก็ระเบิดออก คือก้องกำ บ, บันนาเป็นหมดนภายในใจแต่คนอื่นก็ไม่รับรู้หรอกแต่โลกธาตุทั้งโลกธาตุพวกพวกกายทิพย์เนี่ ย, เ ท, ยเทวดาทุกชั้นฟ้ารู้รู้หมดเ่ะตั้งแต่เทวดาที่อยู่ขั้นใกล้ตัวุดถึงพุทมรโลกก็คือก้องกำ บ, บนนาไปหมดเลยว่าสาธุ ก, การอนุโมทนาสาธุการว่าบัดนี้อาหารหันเกิดขึ้นแล้วในโลกบัดนี้อาหารหันเกิดขึ้นแล้วในโลกเสียงเครื่องสายบรรเลงเพราะมากทั้งจักรวาลดังกระหึ่มไปหมดเลยเป็นเครื่องสายที่บรรเลงพเพรียวเพลาะมาก เสียงเครื่องสายเสียงกองดังตึ้งตึ้งตึ้งดั ง, ด ง, ดงหัวใจกระเดงกระดอนเป็นเป็นเสียงกองที่ดังขึ้นเองโดยไม่มีคนตีในสวรรค์จะเป็นกรณีก็จะว่ามีกรณีเหตุใดบ้างที่เสียงกองนี้จะดังขึ้นมาโดยไม่มีคนตีเสียงพระใช้สวดเสียงชยันโตดังทั้งจักรวาลเลยชยันโตโพธิยาโมเลสักกานางนันติวัตโนเหมือนตอนพระผมน้ำมนต์ดังทั้งจักรวาลคือก้องตึ่งก้องไปหมดเลย เนี่ยมีกลิ่นหอมที่ไม่มีอยู่ในโลกมนุษย์นี้หอมไปทั้งอบอวนไปทั้งจักรวาลเทพเทวดาทุกชั้นฟ้ามาปรากฏหมดเลยมามาปรากฏกายหมดเลยว่าอนุโมทนาสาธุการท่านมีความรู้ความเห็นอย่างไรรู้แจ้งอย่างไรโปรดเมตตาชี้แนะสั่งสอนพวกข้าพเจ้าบ้างก็มาอนุโมทนาสาธุการกันไปหมดเ ฉันว่ามีแต่มนุษย์นี่เนี่ยที่กายหยาบแล้วมีกิเลสหนาก็เลยไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรแต่เทวดาพวกเขามีกายทิพมีหูทิพย์มีตาทิพย์เขาก็เลยรู้มีจิตทิพย์เขาก็เลยรู้ไปทั้งโลกธาตุนะตอนนั้นเนี่ยจิตมันเป็นเองปัสกากการปรุงแต่งแต่กระเพาะการรู้ละไปวางความปรุงแต่ง ปรุงแต่งปรุงแต่งปรุงแต่งความคิดปรุงแต่งความพยายามความความคิดแล้วก็ความปรุงแต่งในจิตบางทีมมันมองออกไม่ออกว่าเป็นความคิดแต่ไปเป็นความปรุงแต่งภายในจิตเช่นความพยายามมันก็เป็นความปรุงแต่งแต่มันมองไม่ออกเป็นความคิดแต่มันเป็นความพยายามที่ดิ้นรนที่จะออกจากทุกข์ออกจากกิเลสมันเป็นความพยายาม to to าที่จะหาเหตุผลเป็นความพยายามที่จะไปหาเหตุผลแต่เหตุผลก็คือเหตุผลที่จะเพื่อให้ตัวเราพ้นทุกข์ แต่เหตุผลต้งหมดเ่ยมันก็เพื่อตัวเราการเป็นอัตวิชชาเพราะว่าเหตุผลเพื่อตัวเราควรพยายามเพื่อจะดิ้นรน้ออกจากทุกข์ก็ดิ้นรนเพื่อให้ตัวเราออกจากทุกข์มันเป็นอวิชชาเราเราอ่านใจล้วไม่ขาดเรามองมันไม่เห็นคือการดิ้นรนก็เพื่อจะให้ตัวเราเนี่ยออกจากทุกข์มันมีตัวเราก็มีตัวเราเลยเป็นอวิชชาความพยายามแม้แต่พยายามจะคิดไข้ควรประมวลหาเหตุผลถ้าเราถามตัวเราจริงๆคนมีปัญญาจริงๆหรือมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ ที่แน่นเนี่ยขนาดจิตท่านก็จะบอกว่าอืมันนี้มันคิดใค่ควรประมวลผลมันเพื่อใครในขณะจิตอ่านไม่ออกเลยเพื่อใครก็เพื่อตัวผมดีครับตัวหนูสิคะแลก็ตัวผมตัวหนูมันเป็นอะไรเป็นเอาวิชาในความรู้สึกเราอ่ะมันมีตัวเราอ่ะเป็นตัวรองรับผลที่เราไปกระทําในขณะนั้น mm hmm. คือไปไค่ายกวนไปประมวลผลไปพยายามเพื่อเพื่ออะไรเพื่อมีตัวเราเป็นเป็นผู้รองรับเสวยผลอยู่ข้างหลัง แล้วสรุปแล้วคือตัวบงการจริงๆก็คือความรู้สึกว่าเป็นตัวเราเนี่ยเป็นตัวบงการให้แสดงพฤ ต, ติแห่งจิตหลวงปู่ดูเรียกว่าพฤติแห่งจิตคือจิตมันแสดงพฤ ต, ติกรรมอย่างนั้นออกมาเรียกว่าพฤติแห่งจิตคือจิตมันแสดงพฤ ต, ติกรรมอย่างนั้นออกมาคือมีตัวเราเนี่ยบงการอยู่ข้างหลังเราไม่รู้เท่าทันว่าเหมือนกับว่าเขาจ้างมือปืนเนี่ยไปยิงคนผู้ที่บงการมือปืนเนี่ยมันมีอยู่ข้างหลังผู้ว่าจ้างมันอยู่ข้างหลังและมือปืนเนี่ยมันไปทํางานตามที่เขาบงการ อเนี่ยตัวเนี้ยมันก็ทํางานไปตามที่มันมีความรู้สึกก่าเป็นตัวเราบงการให้เราเนี่ยกระทาอยู่เราก็ไปกระทาตามเขาคือไปคิดไข้ควรประมวลผลหาถูกนะผิดนะเหตุหาผลพยายามที่จะช่วยเหลือตัวเราให้ตัวเราเนี้ยพยายามออกจากทุกข์ให้ตัวเราเนี้ยดิ้นหลนเพราะออกไม่ได้แล้วก็ขับแขนมันผสมอยู่ในนั้นนะเบ็ดเสร็จเบ็ดเสร็จเลยแต่เจ๊งเนี่ยที่เรากระทาทั้งหมดเนี่ยคือผู้ที่บงการอยู่เบื้องหลังคือตัวเราความรู้สึกก็เป็นตัวเราบงการอยู่เบื้องหลัง เราอ่านตรงนี้ไม่ขาดมีผู้ถามมาในมีผู้ถามเรามาว่าเอ๊ะอวิชามันไม่แสดงออกมาคือตัวตนของอวิชามันเราไม่เห็นมันเหมือนความคิดแล้วเราจะทำลายมันได้ยังไงอวิชาก็คือเนี่ยเราไม่เห็นตัวผู้บงการเนี่ยแต่มันจับไอ้มือปืนรับจ้างได้เดี๋ยวมันก็สาวไปหาผู้บงการนี่อันนั้น สำคัญสุดคือไม่ต้องจับมือปืนผู้รับจ้างให้ได้ซะก่อนก็คือว่าไอ้ตัวผู้แสดงกิริยาแสดงแอคชั่นแสดงการกระทำแสดงพฤติแห่งจิตนี่แน่มันกระทาแสดงกิริยาการพยายามวิเคราะห์วิจารณวิจัยดินน้นรนค้นหาสาเหตุผลถูกผิดพยายามที่จะดิ้นรนให้ออกจากกิเลสดิ้นเพื่ออะไรพอถามขั้นถามก็จับมือปืนได้ชัดๆมองเห็นพฤติแห่งจิตอย่างนี้จะชั ด, ช ด, ชดขั้นถามก็ว่ามันดิ้นรนเพื่อใครวะเนี่ย เขาก็ดิ้นนเพื่อตัวเราทางนั้นเลยวิเคราะห์วิจารณ์วิจัยตึกตองใข้ควรหาเหตุผลพยายามพยายามพยายามทุกวิธีการเพื่อใครถามคก็ถามเข้าไปก็เพื่อผู้บงการถามใครเพื่อผู้บงการไม่มีผู้บงการแล้วจะไปทําทําไมเนี่ยเลยส่นกิริยาการเนี่ยที่พฤติพฤติแห่งจิตที่มัน เ, เรียกว่าหลวงปู่ดูเรียกว่ากิริยาแห่งจิตหรือพฤติแห่งจิตคือกิริยาจิตทั้งหมดหรือพฤติแห่งจิตก็ดับลงมันก็เลย เนี่ยแอาวิชามันก็หมดไปเพราะว่ามันหมดไม่มีมือปืนรับจ้างถูกจับได้แล้วเพราะว่ามือปืนรับจ้างถูกจับได้เลยก็สาวถึงผู้บงการได้เพื่อเอาวิชามันซ่อนอยู่เบื้องหลังก็จริงแต่ถ้าเรามีปัญญาที่ฉลาดเราตั้งกตออกว่าจิตมันยังแสดงพฤติแห่งจิตแสดงพฤติกรรมแสดงการคิดแสดงการแอคชั่นแสดงการคข่กวนอ้าวมันมีผู้บงการเนี่ย ไปกระทาเช่นนี้ไม่มีผู้ปกครกงมันจะกระทําทำไมมันจะกระทาเพื่อใครมันมีหลอกการไปกระทำเพื่อคนอื่นนะมันก็ทําเนี่ยที่เราดิ้นอย่างเงี้ยดิ้นหลนค้นหาวิเคราะห์วิจารวิจัยพยายามที่จะออกจากกิเลสออกจากทุกมันจะดิ้นเพื่อใครเพื่อดิ้นเพื่อตัวเราทั้งนั้นแหะตัวเราตัวเราตัวเราเออตัวเราก็เอาวิชาเอาวิชาเอพอเราเห็นเลยดับอิปิแองจิตดับแขนขามันมือเท้ามันออกบริวามันออกหมดสิ้นมันก็หมดอนทานจะไปก็ เข้าไปถึงตัวการบงการใหญ่คืออวิชชาคือความรู้สึกเป็นตัวเราที่บงการให้แสดงพฤติแองจิตแสดงการกระทําแสดงกิริยาจิตที่หลวงปู่ดูในตระเวาสุดท้ายก็หยุดกิริยาจิตหยุดคิดหยุดนึกหยุดตึกหยุดตองหยุดดิ้นหล่นหยุด้นหาหยุดปรุงแต่งหยุดกิริยาจิตเนี่ยหยุดอยากถึงอยากได้อยากเป็นไม่เอาอะไรเลยไม่ยืดถืออะไรเลยปล่อยวางพร้อมนั่นแหละก็เลยเปล่าเป่าบริสุทธิ์ กับคืนสูนอวกาศแห่งจิตเดิมแท้หรือจักรวาลเดิมหรือมหาสุญญาตาขนาดจิตเดียวที่มันเข้าไปเป็นนั้น่ะมันดูดเข้าไปเลยมันดูดกันเข้าไปอะจิตเดิมแท้กับจักรวาลเดิมมันดูดกันเข้าไปหากันไปเป็นหนึ่งเดียวกับความว่างของจักรวาลเดิมก็ระเบิดอวิชาที่เหมือนกับไอ้ห้องที่กันศาลาในทั้งหมด ฝาผาผนังที่การศาลาเนี่ยระเบิดตู้หมออกไปหมดเลยความว่างในศาลานี้กับความว่างภายนอกเป็นหนึ่งเดียวกันเราก็จำจำมาพูดนะนะเดี๋ยวก็จะไปอัดเสียงไปไปพูดกันต่อๆไปวิภาค ว, ภาวิจารณ์เราก็จำจำมาพูดค่ะก็สรุปแล้วก็คือคนที่จะจับมือปืนรับจ้างได้ก็คือเรานี่เองสติปัญญาสติผู้มีสติปัญญาใช้ค่ ะ, คะ เพราะว่าอาศัยอริยมรรคมีองค์แปดนี่แน่ก็คือสติปัญญาสติสมาธิปัญญาและความเพียรเนี่ยนั่นแหละในอริยมรรคมีองค์แดเพราะว่าอริยมรรคมีองค์แปดก็อริยมรรคแปดนี่แน่หนทางที่จะพ้นทุกข์ได้ก็คือมรรคมีองค์8ดมรรคมีองค์แก็คือสติสมาธิปัญญาและความเพียรเนี่ยนั้นถ้ามีสติอมันจะมีแบบเสร็จในนั้นเลยคือถ้าสติขาดสมาธิขาดปัญญาขาดธรรมขาดสติมีสมาธิมีปัญญามีธรรมมี สติเป็นมหาสติจะเป็นมหาสมาธิเป็นมหาปัญญาเป็นพันนิพานนั้นสติตัวเดียวสติตัวเดียวเนี่ยอริยมรรคเมืองแปดสติตัวเดียวมันจะพร้อมเป็ดเสร็จเลยในนั้นถ้าขาดสติขาดหมดเลยสติก็ไม่หลายที่หลวงปู่ทันว่าสติแต่ละท่านว่าสติสติอันเดียวสติอันเดียวก็ไม่หลายเพราะอะไรเพราะว่าอริยมรรคมีองแปดเขาอื่นมันก็เรื่องของการคิดชอบพูดชอบกระทําชอบประกอบอาชีพชอบถ้าสติไม่ขาดมันก็ชอบหมดแล้วพวกนี้ แต่ว่าอย่างที่กีวีว่าสติครับสติครับต่อไปนี้ผมจะมีสติแล้วแปะโปกันไปแล้อสัญญากันไว้แล้วว่าใครไม่มีสติผมจะมีสติอกีวีสัญญากันไว้แล้วกับอาจารย์เนาะกับหลวงตาเอใครไม่มีสติผมจะมีสติเนี่ยถ้าในเอเนม่าองค์แปดถ้าสติชอบชอบหมดเลยสติชอบปัญญาก็ชอบการคิดชอบพูดชอบกระทําชอบประกอบอาชีพชอบสมาธิก็ชอบถ้าสติมันชอบ สมาธิก็ชอบปัญญาก็ชอบเพราะสติขาดสมาธิขาดปัญญาขาดธรรมขาดสติมีสมาธิมีปัญญามีธรรมมีสติเป็นมหาสติเป็นมหาส ม, มาธิเป็นมหาปัญญาเป็นพระนิพพานสติอันเดียวก็ไม่หลายนะปป่าว่าไงไม่เห็นหน้าปป่าเลยเอามานั่งเห็หน้าหน่อยเด้ถามหน่อยมาเอาให้ถึงใจถึงใจถึงใจถึงพระนิพพานเอาให้ถึงใจหน่อยถามให้ถึงใจหนะ่อยปะป่า ที่อธิบายเมื่อกี้เป่าๆถึงใจไหมล่ะก็ยังไงสรุปให้หน่อยสิให้ถึงใจสรุปไปถึงใจสิก็ก็คือเหมือนเวลามีมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเราไม่ต้องไปพยายามที่จะหลุดพ้นจากมันหรือว่าอะไรเลยเรากแค่แค่รู้มันแล้วก็ปล่อยให้มันเป็นไปอย่างนั้นเท่านั้นเองนะยังไงนะเอาใหมาได้อ่ะอาจจะชัดก็คือเหมือน เวลามีอะไรเกิดขึ้นมาในใจเนี่ยแล้วก็ไม่ต้องไปพยายามดิ้นหลนที่จะหลุดพ้นจากมันหรือว่าจะหนีออกมาจากมันก็แค่รู้เฉยๆแล้วก็มันเกิดขึ้นแล้วมันก็จะดับไปเกิดขึ้นแล้วมันก็จะดับไปก็แค่นี้ น, นะครับสาธุเพราะท่านแ่นี้จะ ไ, ได้ใจความใช่ไหมจ๋ า, าอ้าวใหม่ใๆมม่ห ม, มเอาคนละตัวคนะตั ว, ว อ่าให้โตกันเองแลตอนนี้สองคนเอาใกล้ใกล้เพื่อใกล้เพื่อยใหอ่าก็ก็ที่ที่ปปาวพูดก็ถูกอะค่ะแต่ว่ามันพูดดูเหมือนง่ายแต่พอเวลาเราปฏิบัติจริงๆเนี่ยมันต้องอาศัยความเพียรแต่พอความเพียรมันมากอะมันก็เหมือนกับเราอยากเราแบบอะไรอย่างที่หนงตาว่าหนูว่าหนูไปเป็นตัวเรามากอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าเออ เกิดขึ้นแล้วก็ปล่อยแล้วก็รับรู้แต่อย่างเงี้ยก็เคยทำมาแล้วมันก็คือว่ามันก็จะหลงไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันหลอกอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเราเพียรเยอะมันก็จะเป็นแบบเหมือนกดดันตัวเองเหมือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้ทางสายกลางใช่ไหมจ๊ะค่ะไม่อ่ะคือมันต้องผิดก่อนอย่างกันน่ยที่จ๋าพูดนะเนี่ย ค, คือเราต้องต้องหลงไปไปมีความเพียรอย่างมาก หลงไปพยายามเอาตัวเราเข้าไปหลงเอาตัวเราเข้าไปปรุงแต่งมีความเพียรพยายามเพราะความที่เราอยากหลุดพ้นนี่เนี่ยเราจึงมีความเพียรความพยายามมากสุดท้ายความเพียรความพยายามของเราเพื่อความหลุดพ้นเนี่ยมันกลายเป็นในไอ้ตัวเนี้ยมันกลายเป็นหลงปรุงแต่งเข้าไปผสมลงซะเพราะเรามีความอยากที่จะหลุดพ้นมากแต่ถ้าเราไม่มีความอยากที่จะหลุดพ้นเราก็ไม่มีโอกาสที่จะหลุดพ้นเลยแต่พราะเรามีความอยากที่จะหลุดพ้นเราเลยมีความเพียรมากแต่พราะไอ้ความเพียรมากเลยเราเราเพียรได้ความอยาก เราจรึงต้องมารู้ต้ทาทันอีกทีหนึ่งตัวนี้แล้วก็ความอยากที่จะหลุดพ้นหมดไปความหลุดพ้นจะเกิดขึ้นจริงเจ้าค่ะหมอกรอบอา่ากขาว่าไงหมอกอบจะกลับแล้ววันนี้อา้อาว ก็เลยทำให้คิดต่อได้ค่ะหลวงตาว่าก็เราไม่จำเป็นต้องอยากที่จะหลุดพ้นเพราะว่าจริงๆแล้วตัวเราก็ไม่มีเข้าใจไหมเนี่ยเอาไม้ให้ตังนี้ตั้งนี้คือสองสัปดาน์นี้ฮะที่ที่หลวงตาส่งเรื่องมาเยอะเยอะมากนี่นะฮะพัชรีเขาก็หลวงตาส่งมาเยอะ ทำไงดีอะไรเงี้ยเขาก็ฟังฟังฟังแล้วเขาพยายามที่จะส่งกันบ้านหลวงตาให้ได้ว่าเขาเข้าใจอะไรอะไรเงี้ยเ้าก็เลยมาถามผมผมก็อ่านจะก็มาฟังบ้างอะไรเงี้ยนะฮะสุดท้ายก็เลยแบบมันมันมันจบที่แค่ว่ามันก็ได้แค่รู้อย่างเดียวอะ่ะมันทําอะไรไม่ไปไม่ได้มากกว่านี้แล้วเนี้ยคืออะไรเกิดขึ้นก็ปล่อยเขาเกิดตามตามปกติของเขาตาม ตามหน้าที่ของของขันอะไรเงี้ยเราก็แค่ได้แต่รู้ได้แต่รู้เขากเกิด อ, อะไรขึ้นก็ได้แต่รู้แค่นั้นเองครับหลวงตาไม่ไม่สามารถที่แบบ <โ Visual. S 2> แบบไปไ ป, ไปแทรกแซงอะไรแทรกแซงปุ๊แบบก็เป็นเรื่องขึ้นมาทันทีไปพยายามก็เอาเป็นเรื่องขึ้นมาทันทีก็ได้แต่แบบรู้แล้วก็รู้แล้วก็ปล่อยไปรู้แล้วก็ปล่อยไปเกิด อ, อะไรขึ้นแล้วก็ได้แค่รู้มันก็ทําได้แค่นี้อ่ะฮะหลวงตาเท่าเท่าเท่าที่หลายๆวันที่ผ่านมาสรุปได้แค่นี้เองอรัหลวงตาแล้วก็ ตอนตอนขับรถมาเนี่ยเขาก็กระตุ้นอีกจะส่งอะไรส่งกันบ้านอะไรให้หลวงตาอีกอะไรเงี้ยก็มานั่งนึกไอ้ไอ้จิตส่งออกนอกเนี่ยเราก็หาประโยชน์จากมันได้เหมือนกันนะอะไรเงี้ยคือเราก็รู้ว่าเอ้ยเราไปส่งนอกส่จงจิตออกนอกเป็นสมุทไทยเราก็เห็นว่าไอ้สิ่งที่มันอยู่ข้างนอกเนี่ย ถ้าเกิดเราเก็บมาพิจารณาเนาะมาพิจารณาเนี่ยมันก็มันก็เหมือนกับตัวเราเนี่แหละมันก็เกิดดับเหมือนกันอย่างที่หลวงตาชอบยกเรื่องใบ ไ, ไม้ร่วงจากต้นไม้หรือแม้กระทั่งต่อมน้ําที่ผุดขึ้นมาจากภายนอกเนี่ยถ้าเกิดเราเก็บให้มันเป็นประโยชน์จากภายนอกเนี่ยเข้ามาสู่ภายในเนี่ยก็ได้เพราะว่าทุกสรรพสิ่งในโลกเนี่ยมันก็อยู่ภายใต้กฎเนี่ยเหมือนกันแล้วก็เอามาใช้เป็นประโยชน์หรือแม้กระทั่งทุก ก็เก็บมาให้เป็นประโยชน์ได้อีกเนี้ยเห็นอย่างที่คํามธรรมะท่านพูดเห็นทุกข์ก็เห็นธรรมอะไรเงี้ยนะฮะถ้าเกิดเราพิกพิกลับมาก็เห็นประโยชน์ได้ว่าเออเนี่ยมันทุกข์ท้ายสุดเนี่ยเมื่อเมื่อสติเกิดขึ้นปัญญามันรู้ขึ้นมาอ๋อมันก็แค่นี้เองมันก็ขาดไปเองหรือแม้กระทั่งมาร์กที่จิตเห็นจิตเนี่ยเราที่ลวงตาจะมีเทคนิคว่าเนี่ยใครไปรู้มันล่ะพอเราพอมีสติตื่นขึ้นมาอีกถามตัวเองใครไปรู้มันปุ๊บอ๋อเราก็ มันก็ดับไปนะตรงนั้นแต่มีวันนะหลวงตาทํางานอยู่ปกติเนี่ยเราก็ทํางานไปแล้วก็มีสติสติมากไม่มีสติมากอ่ะฮะมันอยู่ๆมันก็ผุดขึ้นมาเองว่าเฮ้ยคิดอยู่นี่อะไรเงี้ยก็เป็นอะไรที่ไม่ตั้งใจที่มันจะรู้มันก็รู้ขึ้นมาก็เลยแบบเฮ้ยมันมีรู้อีกตัวหนึ่งด้วยเหรอนี่อะไรเงี้ยที่เราไม่ตั้งใจจะรู้มันก็รู้ขึ้นมาก็ก็ได้เท่านี้หลวงตาสรุปก็คือต้องรู้มันอย่างเดียวทําอะไรไม่ได้ ก็ไม่ต้องทําอะไรนอกจากรู้อย่างเดียวถูกต้องแล้วไม่ต้องทําอะไรแต่แค่แค่รู้อย่างเดียวอย่าทิ้งรู้ให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายแต่ไม่ยึดรู้และไม่ยึดสิ่งที่ถูกรู้มีแค่นี้แค่นั้นไม่ยึดทั้งสิ่งที่ถูกรู้รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเสียสีธรรมอรมไม่ว่าจะถูกใจไม่ถูกใจล้วนเป็นสิ่งที่ถูกรู้หมดไม่ยึดไม่มีผู้ประยุกสิ่งนั้งสิ่งที่ถูกรู้และไม่ยึดรู้ไม่ยึดรู้คือไม่ยึดว่าตัวเราเป็นผู้รู้ หรือผู้รู้เนี่ยเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราคือไม่ยึดทั้งสิ่งที่ถูกรู้แล้วก็ไม่ยึดทั้งรู้ก็แค่สัแตวารู้แค่สัตวารู้แค่สัตวารู้อย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายครับ ก, ก็ก็เหมือนกับว่ารู้แล้วมันก็จบไปเองนะหลวงตาแล้วพอมันพอมันมีอะไรก็ก็รู้ขึ้นมาแล้วก็มันก็จบไปพร้อมกันลักษณะอย่างนั้นหรือเปล่าอาจารย์ ก, ก็คือไม่ไปไปเพ่งไปอะไรกับมันเนี่ยรู้รู้เท่าที่มันจะรู้อะไรเนี้ยก็ แล้วก็มันก็เหมือนจะมันก็จะดีขึ้นนะฮะมันก็จะรู้ได้มากขึ้นมากขึ้นตามตามสติที่เราเพียนเพียนโดยที่แบบไม่ไปกดดันมันมากพอรู้ว่ามันกดดันตัวเองมากก็ก็คลายคลายคล า, ายมันออกไปอะไรเงี้ย ก, ก็พยายามให้ตัวเองไม่ไ ม, ไม่ไม่ลำบากอะไรเงี้ยไม่ไม่เบียดเบียนมากเกินไปนะฮะหลวงตาเอ้ความรู้เนี่ยรู้ก็บรู้รู้ร่างกายจิตใจของเราเนี่ยนไะ อย่าต่อเนื่องไม่ขาดสายความรู้เนี่ยจะต่อเนื่องไม่ขาดสายต้องอาศัยสติต่อเนื่องไม่ขาดสายเพืาอว่าสติอยู่ที่ไหนความรู้อยู่ที่นั่นความรู้อยู่ที่ไหนสติอยู่ที่นั่นสติกับความรู้มันอยู่ด้วยกันเมื่อสติมาตั้งที่ใจดูที่ใจรู้อยู่ที่ใจสังเกตอยู่ที่ใจละอยู่ที่ใจปล่อยวางที่ใจมันก็เลยมีความรู้ ละปล่อยวางที่ใจในภายในใจของเราตลอดเวลาว่ามีสิ่งใดเกิดขึ้นมีสิ่งใดดับไปมีความคิดอะไรเกิดขึ้นมีความคิดอะไรดับไปมีกิริยาการใดเกิดขึ้นมีกิริยาการใดดับไปก็จะเห็นอยู่ตลอดเวลาว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นสิ่งนั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดาคือเขาเกิดขึ้นเองแล้วเขาก็ดับไปเองเขาเกิดขึ้นเองแล้วก็ดับไปเองไม่มีหน้าที่เราไปทําเกิดไม่มีหน้าที่เราไปทําดับ นอกจากเสียว่าในขณะจิตปัจจุบันนั้นน่ะเรามีความตั้งใจจะไปคิดเรื่องอะไรแล้วก็คิดให้จบเรื่องไปอันนั้นน่ะแล้วก็จบตรงไปเมื่อเราหมดเรื่องที่จะตั้งใจคิดก็ปล่อยให้ทุกอย่างเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นมาเองตามเหตุปัจจัยคือขัน่ามันยังไม่ดับก็เกิดขึ้นมาเองตามเหตุปัจจัยเมื่อมันสิ้นเหตุปัจจัยของมันแต่ละขณะจิตมันก็จะดับม้วนไปเองเกิดเองดับเองเกิดเองดับเองไม่มีใครเข้าไปยึดมั่นถือมั่นเมื่อสติไม่ขาดก็จะรู้ที่ใจ สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่คิดขึ้นมานึกขึ้นมาตึกตองขั้นมาไม่ว่าจะมีกิริยาการอะไรขึ้นมาในขณะปัจจุบันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองดับไปเอ ง, งเกิดขึ้นเองดับไปเองเกิดขึ้นเองดับไปเองสิ้นไม่มีใครไปเสเวยไม่มีใครไปยึดม้านถือบ้านไม่มีใครไปทําเกิดไม่มีใครไปทําดับมีแต่แค่รู้อย่างเนี้เห็นความจริงอย่างเนี้ตลอดไปจนกว่าเราจะตายที่ภาระทั้งหลายอยู่กับรู้อยู่กับรู้คือไม่ยึดทั้งสิ่งที่ถูกรู้และไม่ยึดทั้งผู้รู้ได้แต่แค่รู้แค่รู้หรือว่าสัตว์